สีประวรณนาคันธักก120อภาสุวิหารว่าด้วยการอยู่จำบัรษาไม่พาสุเรื่องภิกษุหลายรูปเข้าจำบัรษาในแคว้นโกศลมาเฝ้าพระศาสดาข้อส0 9สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสีครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปซึ่งเคยเห็นเคยคบกันเข้าจำบรรษาอยู่ในวาดแห่งหนึ่งในแคว้นโกสนได้ปรึกษากันดังนี้ว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอพวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำบรรษาอย่างพาสกลและไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตแล้วปรึกษากันต่อไปว่าถ้าพวกเราจะไม่ทักทายไม่ปราศัยกันและกันรูปใดบิณฑบาตกลับจากหมู่บ้านก่อนรูปนั้นพึงปูอัสนะ จัดน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าล้างถาดสำหรับใส่อาหารที่เหลือตั้งน้ำฉันน้ำช้รูปไรบินทบาศกลับจากหมู่บ้านทีหลังถ้ามีอาหารที่รูปก่อนชั้นเลือถ้าต้องการพึงฉันถ้าไม่ต้องการพึ่งเททิ้งอย่างที่อันปราศจากของเขียวสดหรือเทลงน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นพึงเก็บอาสนะน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้า ระเบื้องเช็ดเท้าล้างถาดสำหรับใส่อาหารที่เหลือแล้วเก็บน้ำดื่มน้ำใช้กวัดหอยฉันรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หม้อชพระว่างเปล่ารูปนั้นพึงตักใส่ถ้าไม่สามารถพึงกวักมือเรียกเพื่อนมาช่วยยกไม่พึงเอ่ยวาจาเพราะเห็นนั้นเลยด้วยอุบายอย่างนี้แลพวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จะบภาษาเป็นพาสุขและไม่ลำบากด้วยบินทบาท ต่อมาภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ทักทายไม่ปราศัยกันและกันรูปใดบินธบาตกลับจากหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ปวัสนะจัดน้ําล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าล้างถาดสําหรับใส่อาหารที่เหลือตั้งน้ําฉันน้ําใช้รูปใดบินธบัตกลับจากหมู่บ้านทีหลังถ้ามีอาหารที่รูปก่อนฉันเหลือถ้าต้องการก็ฉันหากไม่ต้องการก็เททิ้งอย่างที่อันประจักของเคี้ยวสด หรือเทลงน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นก็เก็บอาสนะน้าล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าล้างถาดสาหรับใส่อาหารที่เลือแล้วเก็บน้ำดื่มน้าใช้กวาดหอฉันรูปใดเห็นหม้อน้าฉันหม้อน้ำใช้หม้อชาําระว่างเปล่ารูปนั้นก็ตักใส่ถ้าไม่สามารถก็กวาดมือเรียกเพื่อนมาช่วยยกย่อมไม่เอ่ยวาจาเพราะเหตุ น, นั้นเลย ภิกษุมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีประเพณีอยู่ว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้วจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาครบสามเดือนแล้วจึงเก็บเสนาสะนะถือบาตและจีวรหลีกไปในทางกรุงสาวัตถีจะริกไปโดยลําดับถึงกรุงสาวัตถีไปถึงพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีโดยลําดับแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพุทธประเพณีอันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธะประเพณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังสบายดีอยู่หรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกัน ไม่ทะเลาะกันอยู่จำบรรษาเป็นภาสุขและบิณทบาตไม่ลําบากหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ายังสบายดีพระพุทธเจ้าข้ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าอนหนึง่งพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จำบรรษาเ ป, เป็นภาสุขและบินทบาตไม่ลําบากพระพุทธเจ้าข้าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องตรัสถามก็มี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 พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายทำอย่างไรพวกเธอจึงเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จำบรญสาปเป็นภาสุขและบิณทบาทไม่ลำบากภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายบรรดาที่นั่งเฝ้าอยู่ณที่นี้เป็นภิกษุที่เคยเห็นเคยคบกันมาจํานวนหลายรูป ได้เข้าจำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่งในแควนโกศลได้ปรึกษากันว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอพวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จะบรรษาเป็นผาสุขและบิณทบาทไม่ลำบากแล้วปรึกษากันต่อไปว่าถ้าพวกเราจะไม่ทักทายไม่ปราศัยกันและกันรูปใดบินทบาทกลับจากหมู่บ้านก่อนรูปนั้นพึงปวสนะจัดน้ำล้างเท้าต่างรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าล้างถาดสำหรับใส่อาหารที่เหลือตั้งน้ำฉันน้ำใช้รวบใดบินทบาทกลับจากหมู่บ้านทีหลังถ้ามีอาหารที่รูปก่อนชันเลือถ้าต้องการพึ่งฉันถ้าไม่ต้องการพึ่งเททิ้งอย่างที่อันปราศจากของเคี้ยวสดหรือเทลงน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รวบนั้นพึ่งเก็บอาสนะน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า ล้างถาดสำหรับใส่อาหารที่เหลือแล้วเก็บน้ำดื่มน้ำใช้กวาดห่อฉันรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หม้อชาระว่างเปล่ารูปนั้นพึ่งตักใส่ถ้าไม่สามารถพึ่งกวักมือเรียกเพื่อนมาช่วยยกไม่พึ่งเอ่อยบาจาเพราะเหตุนั้นเลยด้วยอุบายอย่างนี้แลพวกเราจะพึ่งเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกัน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 ถ้าไม่ต้องการก็เททิ้งอย่างที่อันปราศจากของเขี้ยวสดหรือเทน้ําลงที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นก็เก็บอัสนะน้ําล้างเทา้าตั้งรองเทา้ากระเบื้องเช็ดเทา้าล้างถาดสําหรับใส่อาหารที่เหลือแล้วเก็บน้ำดื่มน้าําใช้กวาดห่อฉันรูปใดเห็นหม้อน้ําฉันหม้อน้าําใช้หม้อชําระว่างเปล่ารูปนั้นก็ตักใส่ถ้าไม่สามารถก็กวาดมือเรียกเพื่อนมาช่วยยก ย่อมไม่เอ่ยวาจาเพราะเหตุนั้นเลยด้วยอุบายอย่างนี้แลข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จำบรรสาเป็นผาสุขและบิตบาทไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้า